หลวงตามหาบัวท่านก็นบอกว่าว่าตายแล้วจะทํำยังไงในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่อยากจะสร้างคุณงามความดีอันไหนก็ทําเอาซะทําเอาเรีบทําเอาตายแล้วจะไปทําอะไรอีกละ่ะตายแล้วมีแต่เน่ามีแต่เหม็นเท่านั้นตายแล้วจะทําเป็นปลาจ๋องปลาจะทําเป็นปลาจ๋องปลาลาดจะมาทําเป็น เอาหงอาหารเลยก็ไม่ได้ตายแล้วไม่เผาก็ฝังสองอย่างเท่านั้นแ่ะจะทํายังไงตายแล้วรีบเผาเผารีบฝังมันจบจบไปเพราะตายแล้วอันนี้ก็คือหลวงตามหาบัวท่านไม่สําหรับคนตายท่านไม่ได้เชิดชูบูชาเพราะว่าเป็นปุถุชนอยู่ถ้าว่าเป็นพระอาหารหันต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เอออันนี้เป็นบุคคลตัวอย่างอั น, นั้นอีกส่วนหนึ่ง มากเลยแต่ท่านว่าเผาเผาชานอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าว่าไม่คอยพระมหากัตตปะเนี่ยมันลักกริย์ก็คงจะประชุมเพลิงถวายเพลิงวันรุ่งขึ้นเหมือนกันนะพอตอนเช้าท่านพระพุทธองค์ปรินิพานแล้วก็วันนั้นก็จัดการก็คงจะประชุมเพลิงในบ่ายวันนั้นนแต่นี้พระมหากัสตปะท่านเดินทางไกลมา ยังไม่มาไม่ถึงเทวดาห้ามเอาไว้พวกมันและกษัตริย์ขนาะยังเอาไฟจ่อเข้าไปไม่รู้ว่ากี่ครั้งพอเอาไฟจ่อเข้าไปก็เทวดาเอาน้ําดับตื่นแต่มนันมนุษย์ไม่เห็นนะไม่เห็นเทวดาแต่ว่าเทวดาเอาน้ําดับเอจ่อเข้าไปเอาน้ําดับมนุษย์ก็จนปัญญาเหมาือนเอาทำไมทําไมจึงมันจึงจึงเอาไฟเข้าไปจุดประเพลิงแล้วทําไม ไม่ไม่ไห ม, ไม่ไม่เกิดไฟทั้งที่ใส่น้ำมันเข้าไปแล้วนะพระสงฆ์ผู้มีอิทธิฤทธิผู้มีอนาคตังสยานรู้อดีตอนาคตท่านก็บอกว่าเทวดายังไม่ให้เผา่ายังไม่ให้ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าเพราะพระมหากัสปะยังเดินทางมาอยู่ขณะนี้ <Yeah. S 1> เพราะนั้นต้องรอก่อนรอพระมหากัสปะ เถระกับพระสงฆ์กําลังเดินทางมาอยู่ขณะนี้ยังมาไม่ถึงมันลัตริย์ก็เลยหยุดจากนั้นก็รอคอยพระมาหากัสปะพระมาหากัสปะท่านก็นเดินทางมาถึงเจดวันจะมาถึงพอมาถึงเสร็จแล้วพระมาหากัสปะเข้าไปกราบทางเท้าของพระพุทธเจ้าทังฝ่าพระบาทพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกท่านก็ว่า เทวดาก็เปิดหีบลงขึ้นมาหีบศพหีบพระศีษพระพุทธองค์พระโล่งของพระองค์พระมหากรัสป่ก็ได้เอาศีรษะไปในใส่เท้าใส่กบบาทพระพุทธ เ, ทเจ้าจากนั้นเทวดาก็เอาเข้าดังเดิมพอพระมหากรัชป่การวะเสร็จเรียบร้อยแล้ว เทวดาก็ประชุมเพลิงเลยเหมือทวดาจุดเองเลยไม่ต้องให้มนุษย์จุดเหมง น, นั้นไว้ลุกเพิบทีเดียวเล น, นี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านเก็บพระศพพระองค์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเก็บไว้ในช่วงนั้นพระสง์พระอาหารหันตสาวกที่ท่านเก็บไว้ในคราวนั้นก็คือเนี่ยก็คือรอพระมหากัสจละเพราะนั้นยุกนี้สมัยนี้ครูบาอาจารย์ท่าน บอกว่าถึงจะเป็นผู้พิเศษท่านได้สำเร็จมากสาเร็จผลท่านก็ไม่ไม่ให้ยุ่งกับศีระของท่านมากให้ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างนะอย่างเนี้ยอันนี้ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านไม่ได้ก่อนที่ท่านจะล่วงรับรับขัานท่านสร้างเอาไว้หมดแล้วคุณงามความดีท่านใส่ตัวของท่านหมดแล้วใส่ใจของท่านหมดแล้วไม่ต้อง มุ่งหวังพึ่งพากับใครอีกแล้วนะนี่แหละอันนี้ก็คือพวกเราควรจะฟังแล้วก็ควรจะเอาเป็นตัวอย่างด้วยในขณะยังมีชีวิตอยู่ก็ควรจะสั่งสมคุณงามความดีอย่าไปคอยให้คนอื่นเขาทำให้แกเราสรุปแล้ว น, ะนี่แหละงานของหลวงปู่สองเมื่อวานก็เก็บไว้ไม่ได้นานคงจะ ดำเนินการอย่างที่หลวงพ่อได้พูดแต่เรารู้สึกว่าคนก็มามากอยู่ทั้งพระสงฆ์ก็มามากเมื่อวานะเห็นทั้งที่เป็นหน้าเก็บเกี่ยวของชาวบ้านชาวบ้านก็มามา ก, ากเหมือนกันเหมือนกันแต่หลวงพ่อเองเอพอเขาอ่านทุกงานนะตลวงพ่อไปไปงานทุกงานไปงานทุกงานเขาจะต้องมีชีวประวัติ ของผู้วายชนก็จะต้องอ่านชีวประวัติของผู้วายชนหลวงพ่อได้ฟังทีไรถ้าเป็นคนไกลหลวงพ่อก็ไม่คิดอะไรนะถ้าเป็นคนใกล้อย่างคนใกล้ตายเรารู้ประวัติเขาทุกอย่างนะอันนี้เราไม่ได้เราไม่ได้ยกบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะเราหลวงพ่อเกิดมาตั้งหกสิกว่าปีใช่ไหม แล้วก็เป็นพระเอกแล้วก็เคยไปในงานศพของครูบาอาจารย์ไม่รู้กีก่องค์ตกกี่องค์แล้วก็คณะสัตายาญาติโยมด้วยไม่รู้กี่คนตกกี่คนแต่บางคนก็ประวัติถ้าจะว่าไม่ดีจะพูดอย่างนั้นก็ได้บางคนก็ประวัติดีบางคนก็ไม่ดีดีก็ไม่ดีมันก็เป็นของคู่กันมันแต่ ตั้งแต่สร้างโรคมนั้แต่นี้ที่หลวงพ่อพูดว่านี่แหละคนเรานี่นะก่อนที่จะถึงจุดจบควรสร้างประวัติของตนเองให้เป็นคนดีพูดง่ายๆสรุปลงจุดนี้ก่อนนะบอกว่าก่อนที่จะถึงจุดนั้นเราควรจะสร้างประวัติของตนเองให้เป็นคนดีให้เป็นพระที่ดีก่อน ในเมื่อตายไปแล้วผู้ที่เขาเขียนเขาจะได้เขียนด้วยความสบายใจเขียนด้วยความมั่นใจเทิดทูนตรงไหนก็เป็นของจริงเป็นความจริงสบายใจแกผู้เขียนเขียนเป็นในรูปลักษณะไหนก็มีแต่คุณงามความดีควรจะเป็นอย่างนั้นแต่บางคนคนบางคนกินเหล้าเมายาเที่ยวสมเะเลเทา อ, อลูกเมียไม่รู้ว่ากี่คนจะกี่คนแต่พอตายไปแล้วแต่เนี่ยไม่รู้เขาจะเขียนยังไงว่า ง, างั้นเละจะเอาจุดไหนมาเขียนทธเนี่ยเขาเป็นผู้รับผิดชอบในครอบครัวดีเ อ, อก็เขียนไม่ได้พราะมันแตกสะลุผู้พ่ายจนพอแรง อ, อนิสัยเขากิริยามรารยาทเขาทํามาค้าขายดีจะพูดอย่างนั้นกับเต็มปากก็ไม่ได้ไอ้คนที่เขียนก็ยกเมฆเข็เขนเขียนทธเนี่ยไอ้คนที่อยู่ใกล้ๆคนมัน เซนเดียวกันมันจึงยกย่องกันได้ไอ้คนมันเกรดเดียวกันคนมันคลื่นเดียวกันมันจึงยกย่องกันได้แต่พวกเราอยู่ใกล้เห็นแล้วโอ้เนี่ยไอ้คนที่เขียนมันก็เขียนขึ้นมาลูกหลานก็อยากจะยกย่องแต่คนที่อยู่ใกล้เนี่ยเห็นแล้วก็อักกระอวนเหมือนกันเถอะทำไมาเขียนออกมาได้ยังไงคาอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ พวกเราที่เป็นเจ้าของประวัติที่นั่งอยู่เนี่ยนับแต่หลวงพ่อลงไปนีควรจะเป็นรักษาเกียรติประวัติของตนเองเอาไว้สิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทำอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำ อ, อย่างพระก็เหมือนกันพอตายไปแล้วที่หลวงท่านองค์นี้ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้แข่งขัดเป็นผู้เด็ดเดียวแต่ที่ไหนได้พวกพวกเราอยู่ด้วยการโอ้โหอ ตายแต่ละวีแต่ละวันคิดแต่ถึงบ้านคิดแต่ถึงครอบครัวคิดแต่ถึงออกพูดออกแต่นอกโกูกนอกทางอแต่นี้พอเขียนขึ้นมาเนี่ยไอ้พวกที่เขียนเนี่ยมันมันยกเมฆพูดไอ้ที่พวกเราอยู่ด้วยกันรู้จักประวัติยแล้วเอนี่ไอ้พวกที่อยู่ใกล้กันน่ะมันอยู่มันรู้ได้ว่าผูดจะเป็นผู้เด็ดเดี่ยวแล้วผู้มีศินหรือไม่มีศิน แต่ต้องอยู่ด้วยกันนานไม่ใช่ว่าคนอื่นจะมายกย่องให้ก็จะเชิดชูบูชาดีอย่างนั้นไม่ได้ถ้าจะสรุปลงก็แค่คนเ้นเดียวกันคนคลื่นเดียวกันมันจึงยกย่องกันได้อ่างนั้นแต่คนที่รู้ประวัติจริงๆแล้วก็จะบ่าเออเ ข, เขาเขียนได้ยังไงยกเมฆมาพูดได้ยังไงนี่แหละ สรุปแล้วก็คือให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่ได้ยินหลวงพ่อนะนับแต่หลวงพ่อเป็นต้นลงไปอ่ะนับแต่หลวงพ่อลงไปแควรจะทักษาเกียรติประวัติของตนเองเอาไว้สิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำอย่างที่ว่านะั่นนะาว่าทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องในเมื่อเราล่วงรับไปลูกหลานที่เขียนประวัติก็ไม่รู้จะเขียนยังไง ไอ้พวกที่ยกเมฆเขียนก็ยกเมฆเขียนไอ้พวกที่รู้ประวัติแล้วแล้วก็ทั้งปิดหูทั้งปิดปากอ่า ง, งั้นเขาเขียนได้ยังไงฮอย่างนั้นไปอีกฮะพวยนั้นอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นแต่บางคนก็ยางว่าทีใช่สมัยองค์ครีมานท่านก็เป็นโจรแต่ท่านเป็นพระหรหันแล้วก็พูดท่านเป็นพระหรหัน จะออกมาสมัยเมื่อท่านเป็นโจรมามาพูดเป็นเรื่องพระหรหันต์ก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันเพราะท่านปรับตัวใหม่แล้วนะแต่บางคนก็บอกว่าใช่อแต่ท่านปรับตัวเราก็เห็นเห็นอยู่เนี่ยไม่ปรับตัวร้อเปอร์เซ็นหมือนพระรหันต์เหมือนพร ะ, ร อ, พระ อ, งองค์ุริมาเ น, นี่ยปรับตัวในะยังมีเงื่อนงาำอยู่เนี่ยยังเห็นเห็นอยู่เนี่ยจะไปพูดเอาองคุริมามาเปรียบเทียบได้ยังไงฮะ มันก็มีคำแย่งกันไปคำแย่งกันมาสรุปแล้วก็คือความชั่วกรรมชั่วอย่าทําเสลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นทําให้ลูกหลานเขียนประวัติยากเมื่อภายหลังหลวงพ่อหลวงพ่อแปลบาลีโคกให้ฟังเหมือนกันนะเนี่ยแหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นเ อ, อเราไม่ได้พูด แกบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้มองตนเองให้มองตนเองให้เป็นคนดีให้มีคุณภาพให้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดใีให้รักษาศีลัอกตั้งใจภาวนาที่ดีสิ่งไหนที่มันไม่คิดอย่าสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดจะเป็นประวัติที่ไม่ดีเมื่อพระของเราก็เหมือนกันมาบวชเข้ามาแล้วทำออกหลอกหนุกออกทางคิดออก ไปยังไงก็ไม่รู้พอตายไปแล้วโอ้โหเป็นผู้เด็ดเดเียวเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจจริงแต่พวกอยู่ด้วยกันวายอรู้หมดแล้วเขียนได้ยังไงคนที่เขียนวะเนี่ยนะเผอๆจะไปต่อว่าคนที่เขียนอีกคนที่เขียนก็ไม่รู้จะตอบยังไงอีกเหมือนกันพูดยากว่าจะให้ท่านกันจะให้ผมเขียนยังไงนะจะเอาแต่ความไม่ดีออกมากับมันก็ใครจะฟังใครก็อยากจะฟังแต่คุณงามความดี ของพูดวายชนเอาเถอะมือถือยังไงยังไ ง, ง, ไงท่านก็วายชนไปแล้วพวกเราควรจะเขียนเอาสิ่งที่ดีๆนะเนาะมาใส่เข้าไป เ, าเพื่อจะได้เป็นสิริเป็นมงคลลืนหูกองผู้ดได้ยินได้ฟังเทว า, ากรรมโชกของท่านทาแล้วท่านก็เอาท่านก็เป็นของท่านไปพวกเราที่อยู่เบ้างหลังน่เอาควรจะทำควรจะพูดในสิ่งที่มันดเีเพื่อเป็นตัวอย่างของอนุชนรุ่นหลังต่อไปถ้าพูดเอา ถ้าเอาความชั่วมาพูดต่อไปลูกหลานก็คงจะเอาแต่ความชั่วมาเป็นตัวอย่างอีกยิ่งแย่ไปใหญ่ขนาดเชิดชูบูชาแต่คุณงามความดีขนาดนี้ลูกหลานพี่น้องประชาชนบางกลุ่มบางพวกบางคนนะโดยมากเลยวันกันยังถลำลงไปทางต่าไม่ลุกมากต่อมากถ้าจะเอาแต่ความชั่วมาโคษณนาประชาัมพันเนะ่แล้วพวกเราจะเป็นคนดีได้ยังไงก็ควรจะเอาคุณงามคนดีมาพูดเชิดชูบูชาเอาไว้ อจะไม่ดีกว่าเรอไอ้อันนี้ก็เป็นแนวความคิดอีกเหมือนกันนะหลวงพ่อว่าก็ดีแต่ถึงอย่างไอางอย่าไปยกเมฆพูดจนเกินไปถ้ายกเมฆพูดจนเกินไปเนี่ยก็ทำให้อผู้ฟังทั้งหลายก็มองคนที่เขียนอีกว่ามันเส้นเดียวกันไอ้มันพวกชอบโกหกเหมือนกันมันคลื่นเดียวกันมันจึงยกกลุ่มมันกลุ่มเดียวกันเอมันัก มันลักษณะเดียวกันอย่าให้คนอื่นพูดที่ท่านจู่เบื้องสูงแล้วท่านมีคุณธรรมอย่าอย่าให้ท่านได้เพ่งมองเราในลักษณะอย่างนั้นอพราะนั้นพวกเราที่เป็นเจ้าของประวัติน่ะอยู่ด้วยกัน่ะควรจะทำคุณงามความดีอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวนะหลวงพ่อได้ไปหลายงานอย่างที่ว่านะแต่หลวงพ่อไม่ได้ พูดองค์นั้นองค์นี้กูบาอาจารณ์นั้นทันนั้นทันนี้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ไม่ใช่แต่หลวงพ่อได้ยินเอได้ยินมาลักษณะอย่างนี้อืหลวงพ่อมันก็เป็นไปได้ได้อย่างนั้นอีกเหมือนกันนะที่หลวงพ่อพูดเนี่ยที่หลวงพ่อพูดเพื่ออะไรก็เพื่อว่าพวกเราท่านทั้งหลายต่อไปภายภาคหน้าจะต้องเป็นเจ้าของประวัติควรจะเตรียมควรจะทําคุณงามความดีเอาไว้ ในสิ่งที่มันไม่ดีนั้นอย่างที่หลวงพ่อได้พูดอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำในสิ่งที่มันไม่ดีนะอออออนนนะเอารับพรวันนี้ก็ให้แนวความคิดอันหนึ่งให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษานะได้ฟังได้ศึกษาโลกนี้มันมีมากหลากหลายนะ